โอกาสมหาเถราสุเถระในมหาสมุทรนี้ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมมหาเจตยาจ า, จารย์จากวัดพระศรีมหาธาตุพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่ และประเดชพระคุณพระเทพวรมุศีจากวัดพระ่านพนมเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรท่านแม่ชีสัสนสณีเสด็จพระสุทธิคณะแม่ชีญาติโยมอุบาส่งุบาศิกาทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลาย ได้มาร่วมในพิธีที่เป็นเหตุการณ์อันควรแก่ความสง่างอีหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเสถียรธรรมสถานด้วยการมาประกอบพิธียกสถูปมนต์แห่งพระอารย์ดารามหาโพธิสัตว์ และมาร่วมในพิธีสลายร่างคือสู่ธรรมชาติของคุณเสถียนเสถียรสุดผู้มีอุปการะคุณแห่งเสถียนธรรมสถานเลืองเพื่อให้เหตุการณ์นี้มีความหมายมีคุณค่าควรแก่การลำลึกนึกถึงต่อไป ก็จะขอปรารภความหมายแห่งกิจกรรมอันเป็นกุศลที่เรากำลังบาเพ็ญร่วมกันเรื่องแรกคือการยกสถดุกมนบูชาพระอริยดารามาหาโพธิสัตว์ก็ควรเข้าใจว่าคำว่าโพธิสัตว์ หมายถึงผู้ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระโพธิสัตว์องค์นี้เรียกมหาโพธิสัตว์เพราะตามคติของมหายานและวัชรยาณอันเป็นที่มาแห่งรูปเทารพ อารยะดารามหาโพธิสัตว์ในถ้ำที่ประดิษฐานนาสัสเถรธรรมสถานนี้รูปเคารบรูปบูชานี้พิสูจน์แล้วว่ามีอายุกว่าสองพันปีเป็นสิ่งปูชนีวัตถุที่เก่าแก่ได้รับการกราบไหวบูชามานานถึงสองสหัสวรรษ ความหมายสำคัญของมหาดาร า, าดารามหาโพธิสัตว์ก็เป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามคติมหายาณที่ท่านจัดโพธิสัตว์เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่ามนุษยสั์โพธิสัตว์อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทยานีโพธิสัตว์ มนุสโพธิสัตเป็นที่คุ้นเคยของพวกเราชาวพุทธเถรวานหมายถึงมนุษย์ผู้อาทิษฐานจิตเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญบา ร, รมีอย่างที่เป็นเรื่องที่เราทราบกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบา ร, รมีในตั้งแต่เป็นพระโสมีทดาบท อธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้าจนกระทั่งชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรจากนั้นขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อเหตุการณ์พร้อมก็จุติลงมาเป็นพระสิท ธ, ธัตถะเป็นพรโะโคตมพุทธเจ้าของเราการบำเพ็ญบารมีตั้งแต่สมีทดาบทจนถึงพระเวสสันดร เป็นมนุษย์สัพพิสัตว์หมายความว่าบำเพ็ญบา ร, รมีจนกระทั่งพร้อมที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มีพระโพธิสัตว์เอกประเภทหนึ่งบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์พร้อมแล้วถ้าในคติของเราก็คือหลังจากเป็นพระเวสสัดนดร จะขึ้นไปสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตจนกระทั่งพร้อมก็ลงมาอุบัติเป็นพระสิท ธ, ธิันธในคติมหายาญเมื่อบำเพ็ญบา ร, รมีจนถึงไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตจะไม่เพียงรอเพื่อมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่จะลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตแบ่งผ้าลงมาเกิดแล้วก็โปรดสัตว์ยังไม่ลงมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นชาติสุดท้ายตราบใดที่สัตว์โลกยังมีความทุกข์จะสถิตอยู่ในสวรรค์เช่นนั้นจนกระทั่งขนสันพรสัตว์เข้าสู่ พระนิพพานทั้งหมดแต่สวรรค์ชั้นดุสิตนั้นปัจจุบันมีพระศรีอารยะเมตไตรของเราสถิตยอยู่รอที่จะอุบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี่เป็นคติของเราแต่ในมหายานพระ โพ ธ, ธิสัต์ที่เช่นเดียวกับพระศรีอรยะเมตรัยในสวรรค์ชั้นดุสิตท่านสถิตอยู่ในสวรรค์สุขขาวดีในนามว่าพระอเ ว, วโลกิเตส่วนพระอวโลกิเตส่วนตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ลงมาเป็นพระพุทธเจ้านิพพาน จนกว่าจะโปรดสัตว์ให้พ้นจากนารกจากคุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะมองสัตว์โลกด้วยมหากรุณาธิคุณแล้วก็แบ่งภ่าลงมาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยสันทัตว์ไม่ใช่เกิดมาบำเพ็ญบารมีนะ เพราะท่านพร้อมที่จะตัดสู้อยู่ในชาติสุดท้ายแต่แบ่งภาค ล, ลงมาเป็นบุคคลเช่นนั้น<ๆ>เช่นนี้มาเกิดแล้วก็มาช่วยกู้สถานการณ์มาช่วยโลกหนึ่งในภาคนั้นคือพระดาราปุิสัตว์ตามคติวัชรยานเกิดจากน้ำตาหยดน้ำตา ของพระอวโลกิเตสวนเมื่อพระอวโลกิเตสวนอยู่ในสวรรค์สุขาวดีเห็นสรรพสัตว์มีความทุกข์เกิดความสงสารหยดน้ำตาเป็นปัญลักษณ์แห่งความการุณาก็คือแบ่งภาคมาเป็นพระโพธิสัตว์สตรีเพศเรียกว่าดาราตามพระติวัชรยานและดาราที่ว่านี้ ได้เคยตามคติของทิเบตเคยมาเกิดแบ่งผ้าลงมาเกิดเป็นเจ้าหญิงของทิเบตก็มีไปเกิดในจีนเป็นกวนอินโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นจึงถือว่าดาราโพธิสัตว์ก็ดีกวนอินโพธิสัตว์ก็ดีที่จริงก็คืออวโลกิเตส่วนโพธิสัตว์ แห่งสวรรค์สุขาวดีเมื่อเห็นสัรรพสัตว์มีความทุกข์ก็จะมาถือเพศของมนุษย์ทำงานกอบกู้ช่วยเหลือให้ผลนทุกข์ดังนั้นเราจึงได้มีคติในประเทศจีนในทิเบตเป็นต้นดังกล่าวมาคำว่าดารามีสองความหมาย ความหมายที่เราเข้าใจทั่วไปหมายถึงดวงดาวดาราคือดวงดาวแต่เป็นดวงดาวที่ทเบตเปรียบเหมือนดาวเหนือนอสตาที่บอกทางแก่ผู้เดินทางในทะเลทรายยามค่ำคืนเล่นเรือในมหาสมุทรก็ต้องดูดาวดาวนี้บอกทิศทาง ดาราโพธิสัตว์บอกทิศทานไปนิพพานข้ามห่วงมหันก์พ้นความทุกข์เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงเป็นแรงบันดาลใจเหมือนดาวเหนือบอกทานเก่กคนหลงทางไปสู่ความพ้นทุกข์นอกจากนี้คำว่าดาราหรือในภาษา สันสกิตหรือบาลีว่าตาราตะระาอามีความหมายว่าข้ามว่าพ้นดังพระบาลีว่าสัท ธ, ธายะตะระตีโอขังคนข้ามพ้นห่วงมหนันต์แห่งความทุกข์ด้วยศรัท ธ, ธาผู้มีศรัท ธ, ธาในพระพุทธในพระพุิธศาสนา ย่อมได้รับพรจากพระดาราโพธิสัตว์เป็นต้นขนให้พ้นจากพวงแห่งความทุกข์ในบรรดาพระโพธิสัตว์มหายาญ ม, มีพระโพธิสัตว์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับความเคารพนับถือจากประเทศเถรวาทถือไทยพมา่าลังกาลาวกัมพูชา โดยมีรูปเคารพของพระโพธิสัตว์นี้ประดิษฐานอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้นับพันปีหนึ่งพระองค์นั้นก็คืออวโลกิเตสวนดังที่เราคุ้นกับภาพหลวงพ่อพุทธทาสนั่งอยู่เบื้องหน้ารูปเคารพรูปปั้นอวโลกิเตสวนซึ่งค้นพบที่ชา ย, ยา ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติในรูปเคารพนี้ไม่มีแขนแขนขานตอนค้นพบเนี่ยไม่มีแขนเราจะคุ้นกับรูปปั้นนี้ที่หน้าโรงมหโหระษ์ทางวิญญาณที่สวนโมกอวโลกีเตสวนคือต้นแบบของดารามหาปทิสัต ซึ่งดารานี้เป็นเพศสตรีอวโลกิเตศวนเป็นเพศบุรุษและสําหรับพระอวโลกิเตศวนถ้าจะลงจุตมาเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นเพศบุรุษแต่ดาราโพธิสัตว์อธิษฐานว่าในชาติสุดท้ายเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นพระสิท ธ, ธาจะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะขอเป็นเพศสตรีเพราะฉะนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเป็นเพศหญิงในรูปที่เป็นสตรีมาโปรดแต่ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายเป็นสตรีนั้นก็จะลงมาหลายรูปแบบอาจจะเกิดที่นั่นที่นี่เหมือนเป็นกวนอินในจีนเป็นต้น ในประเทศไทยนอกจากมีพระอวโลกิเตส่วนแล้วก็เป็นความโชคดีที่แม่ชีสัสนสีเสถรสุิได้รับการถวายรูปปั้นรูปเคารพของพระดาราโพธิสัตว์อันเป็นแรงบันดาลใจแห่งการโปรดสัตว์ในรูปสตรีเทพมาประดิษฐานอยู่นะักเสถียรธรรมสถาน ในถ้มทั้งบนยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวจะไปดูและ ว, วันนี้ก็มายกสถูกเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของดาราโพ ธ, ธิสัต์นั้นซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเสถียรธรรมสถานก็เดินตามรอยแห่งดวงดาวนี้เป็นที่ครึ่งใจครึ่งพิง ผลสาสร菩萨ให้ผลทุก์เช่นเดียวกันทุกขับปัตตาจะนิสทุกขขาดใครมีความทุกมาที่นี่ก็จะผลทุก์พยัปัตตาจะนิพไผยมีภัยก็จะผลภัยโสกับปัตตาจะนิสโสกามีความโศกก็จะผลโศกเพราะเสถียหตุธรรมสถาน ได้ชื่อว่าเสถียรตามที่ได้ตั้งไว้เพราะคุณเสถียรบริจาคที่ดินผ่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดตรงนี้ก็เป็นเสถียรธรรมสถานธรรมสถานที่ให้ความมั่นคงถาว่ามั่นคงตรงกับพระบาลีในมงคนรสูตรตอนหนึ่งว่า พุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสาน ก, กรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตต ม, มังแปลว่าผู้ใดถูกโลกธรรมมาสัมผัสกระทบต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวน ก, กรรมปติ แปลว่าไม่หวั่นไหวคือมั่นคงอโศกันไม่เศร้าโศกวิรชังปราศจากทุลีคือกิเลสเขมันคืออยู่เหนือความขัดแยง้งเหนือความทุกข์ทั้งปวงเรียกว่ากเกษมนั่นเป็นอุดมมมงคลเสถียรธรรมสถานปฏิบัติตามอุด ม, มมงคลนี้ จึงไม่หวั่นไหวแม้จะเจ็บไข้ได้พวยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เศร้าโศกเหนือพ้นแห่งความทุกข์ยากทั้งปวงกเกษมสำหรับนำพาให้คนที่มาที่นี่เดินตามรอยนี้เช่นเดียวกับดาราโพ ธ, ธิสัตว์จึงชื่อได้ว่าสเสถียรธรรมสถานธรรมสถาน ปฏิบัติตามอุดมการเดียวกันกับดารามหาโพธิสัตว์วันนี้เป็นการบูชาด้วยการยกมนก็คือคำสอนของท่านเพื่อให้มั่นคงไม่วันไหวไม่เศร้าโศกไม่มดหมองและเป็นดินแดนอันกเกษมดังที่ธรรมมาสมก็จะดำเนินการ ให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยด้วยดังที่ณกุลกบิดาเป็นพรามท่านหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฝั่งเทตอนเดินไปก็กะย่องกะแย่งไม่มีแรงภาษารีบุตรทักว่าทำไมหายหน้าไปก็บอกว่าเพราะไม่สบาย แต่วันนี้จะมาฟังเทศพระพุทธเจ้าเดินไปฟังเทศกลับมามีแรงแข็งแรงไม่ต้องให้ใครประคองพระสารีบุตรก็ถามว่าได้ของดีได้ยาดีอะไรมาเดินปลอเลยนักุลบิดาก็บอกว่าฟังเทศรรมะโอสถฟังแล้วเกิดกำลังใจถามว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าอะไร น ก, กูละบิดาตอบว่าที่จำได้ประโยคนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าณ ก, กูละบิดาต่อไปนี้ให้เธอสอนใจตัวเองเสมอเสมอเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าแม้ร่างกายของเธอจะป่วยกระสอบกระแสกแต่จิตใจของเธอ อย่าได้กรสับกระสายด้วยเลยคำว่ากรสับกระสายภาษาบาลีว่าอาตุรังอย่าให้อาตุระกรสับกระสายกังวลวุ่นวายพูดง่ายๆก็คือให้มันคงเกษมสำราญเป็นเสถียรภาพตลอดเวลาเมื่อกายไม่กระตมเมื่อเมื่อจิตใจไม่กรสับกระสาย การป่วยกระสอบกระแสกก็จะจบลงเพราะจิตใจนั้นเป็นนายกายเป็นบ่าวดังที่ท่านตรัสว่ามโนโปุพังข้ามาทำ ม, มามโนเศรษฐามโนโมยาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้นำมีใจประเสริฐที่สุด เมื่อจิตใจมั่นคงไม่กระสับกระส่ายความป่วยไข้ก็จะแพ้ไปเองดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบจากคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคนอยากอายุยืนต้องเจริญอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและก็จะต่ออายุได้ ทำไมจึงอายุยืนก็เพราะว่าคนจะต้องมีฉันทะเป็นอันดับแรกฉันทะแปลว่าชอบใจพอใจพูดง่ายๆก็คือมีเป้าหมายชีวิตอยู่เพื่อใครอยู่เพื่ออะไรนั่นคืออยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าอยู่เพื่ออะไร อยู่เพื่อนำสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ผ่านเสถียรธรรมสถานตามอุดมการของดารามหาโพธิสัตว์และเมื่อมีฉันทะพอใจอยู่เพื่อใครก็จะเกิดวิริยะความกล้าความเพียรทนลำบากทนตรากตรำแม้ต้องทานยาที่ขมขนาดไหนก็ต้องทาน แม้ต้องอดอาหารตามที่แพทย์สั่งก็ต้องยอมนี่เรียกว่าวิริยะจิตตัก็จะตามมาคือฝักไฟจดจอ่อกับงานที่ทามีสมาธิมีความสุขกับงานไม่เกิดความรำคาญกังวลกับสุขขาพ้าที่แม้จะไม่อำนวยเพราะใจกะเกษมสำราญ ด้วยจิตตะจดจ่อเป็นสมาธิและวิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนคิดถึงสิ่งที่เป็นกนุศจะพัฒนานั่นพัฒนานี่โดยไม่มีความกังวลแต่เป็นความสุขที่ได้ใช้สติปัญญาเพื่อมนุษยชาติอยู่ยันมีความหมายอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อใคร ทำให้อายุยืนในบั้นปลายชีวิตของคุนเสถียรเสถียรสุดอยู่เพื่อสนับสนุนกุศ ล, ลกรรมแห่งเสถียรธรรมสถานแม้ป่วยหนักก่อนล่วงลับดับไปเจ็ดวันยังมาเยี่ยมทำเสถียรธรรมสถานด้วยจิตพวงใหญ่ในความเจ็บไข้ของ เมชีสัสนสีด้วยสามใบอยู่ยังมีกำลังใจต่อกันเราเรียกว่าอยู่ฉันกัลยาณมิตรพระพุทธศาสนายกย่องกัลยาณมิตรว่าเป็นเส้นทางสู่พระนิพพานครั้งหนึ่งพระอโนนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรความเป็นมิตรที่ดีแห่งชีวิตนั้น เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์การปฏิบัติที่งดน้ํามครึ่งหนึ่งอาศัยแห่งพรหมจรรย์อยู่อย่างประเสริฐครึ่งหนึ่งอาศัยกัรลยาณมิตรอีกครึ่งหนึ่งอาศัยความเพียรพยายามของบุคคลนั้นเองกาลยนามิตรเป็นครึ่งหนึ่งแห่งพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระอานนุ์ว่า สากลมิทังสากรลเมวะทิทังอันอานันทะพรหมจริยังกลยานมิตร ต, ตาอานนท์ความเป็นกลยานมิตรเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดแห่งพรหมจรรย์ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งแล้วทรงอธิบายว่าอานนท์คนให้ฉลาดเท่าฉลาด ก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมด้วยตนเองได้ต้องอาศัยศาสดาต้องอาศัยครูบาอาจารย์นำปฏิบัติพระสาลีบุแเมชฉลาดก็ไม่อาจจะเป็นพระอรหันต์ตามลำพังได้พระพุทธเจ้าเป็นกัลายาณมิตรชักชวนเข้าศาสนามาปฏิบัติตธรรมจึงบรรลุเป็น พระอระหันต์ได้ดังนั้นกลยานามิตรจึงเป็นเนื้อเป็นตัวแห่งชีวิตที่ประเสริฐแห่งสมมจันทร์เสถียรธรรมสถานวางวิถีแห่งสมมจันร์อันประเสริฐเป็นวิถีชีวิตที่ประเสริฐก็เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสคืออาศัยกาลยานามิตร กาลยนานมิตรท่านแรกคือผู้ช่วยซื้อที่ดินแห่งนี้และพัฒนาเป็นเสถียรธรรมสถานในวันนี้ก็คือคุณเสถียรเสถียรสุดเป็นเหมือนต้นน้ำมีกลางน้าคือไม่ชีสัสนสีพัฒนาต่อมามีท่านทั้งหลายเป็นปลายน้ํามาช่วยกันพัฒนา ขับเคลื่อนส่งไม้ต่อตอกันไปตามอุดมการแห่งมหาดาราดารามหาโพธิสัตว์ตามวิถีแห่งกรลยานมิตรนำไปสู่ชีวิตอัน ง, งดงามคือพรหมจรรย์วันนี้เรามาอยู่ณนะตรงนี้น้อมใจอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้มีอุปการะคุณที่ยิ่งใหญ่ ต่อเสถียนธรรมสถานผู้เป็นกาลยนมิตรที่ยิงใหญ่ด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ในวาระสุดท้ายก่อนที่ร่างอัร้วิญญาณของผุนเสถียนจะกลับสู่ธาตุทั้งหลายดินกลับสู่ดินน้ำกลับสู่น้ำลมกลับสู่ลมไฟกลับสู่ไฟ เข้าคืนสู่ธรรมชาติคงแต่วิญญาณที่รับบุญกูศลที่ได้บำเพ็ญในฐานะกัลยาณมิตรแห่งเสถียรธรรมสถานและบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายจะอุทิศด้วยการบำเพ็ญมหากุศลยกสถูกมหาเจดีย์และฟังธรรมคัธรรมกถาครั้งนี้เป็นธรรมะมสวนาไม่ จิตใจของคุณสเถียนก่อนจะล่วงลับดับไปนึกถึงสเสถียรธรรมสถานนึกถึงบุญโกศลนึกถึงแม่ชีสั น, นสเีเสถีรสุดผู้ไปส่งถึงโรงพยาบาลจิตย่อมจะเป็นมหาโกศลผ่องใสพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตอสันกิริเถสุขทติตาติกังขา ก่อนดับจิตถ้าเราคิดถึงสิ่งที่เป็นกุศลผ่องใสสุขติพบเป็นอันที่หวังได้ในสัมปรายภพยิ่งเราท่านทั้งหลายอุทิ์ส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกันในครั้งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มบารมีธรรมในสัมปรายภพแกคุณสเสถียรเสถียรสุดเป็นแน่นอน เอมนากะตะปุนเยนะขออ้างบุญกุศลทั้งปวงที่เราได้บำเพ็ญมาก่อ น, นี้และในวันนี้ด้วยการบูชามหาด า, ดารามหาโพธิสัตว์ด้วยการยกสะดูห่งบนตราของท่านและบุญกุศลอันเกิดจากทานศีลภาวนาธรรมัตสวรรมัยในวันนี้ ขอจงมารวมกันเป็นตะบากเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัโอทิตเป็นส่วนโอสอนไปให้แดวิญญาณของคุณสเสถียรสียรสุดมิว่าสถิตอยู่นักฐานใดในสุขติสุขติพบภูมิใดขอจงอนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จ เป็นอิทธวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติในสัมปรายภพสมนันเจตนาปารพของเราท่านทั้งหลายทุกประการอนหนึ่งขออำนาจแห่งคุณภาศีรัตนไตราบารมีธรรมแห่งพระมหาโคติสัตว์องนั้นและบุญโกศลทั้งปวง จงเป็นปฏิพรย้อนขนองให้เมชีสันธนีเสถรสุทธ์และเสถียรธรรมสถานพร้อมผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ทั้งปวงอาจสามารถพัฒนางานของเสถียรธรรมสถานให้สำเร็จรุร่วงไปตามมโนปนิธานไว้ทุกประการ ให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะภละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประอกอบพิธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นนนั้จงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จสมมโนรถบุญมาปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเพลิน